ทรงปรารบภิกษุณีทุลสนันทาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทุลลนันทาประพฤติตามภิกษุอริ tha ผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแร้งที่สงพร้อมเพรียงกันลงอุเขปนิยกรรมในป ร, ราชิกสิกขาบทที่เจนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐาน เกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานเป็นธุระนิเคปะสมุทฐานละ